เพื่อให้มองเห็นเนื้อความชัดเจนยิ่งขึ้นขอยกคำบาลีที่สำคัญมาแปลและแสดงความหมายไว้โดยย่อดังนี้กาเยกาานุปัตสีแปลว่าพิจารณาเห็นกายในกายนี้เป็นคำแปลตามแบบที่คุ้นคุ้นกันซึ่งต้องระวังความเข้าใจไม่ให้เขวแต่ก็พึ่งเห็นใจท่านที่พยายามแปลกันมาเพราะบางคำบางข้อความนั้น